สัมผัสสยองเรื่องนี้เกิดขึ้นมาสิบกว่าปีก่อนเมื่อตอนที่เรายังคงเป็นเด็กช่วงปิดเทอมเราจะว่างพ่อเราจึงบอกให้เราไปอยู่กับยา่าสักสองสามอาทิตย์พอถึงเวลาพ่อเราก็ขับรถพาเราไปบ้านยา่าซึ่งอยู่ต่างอำเภอแต่มันก็ไกลมากเหมือนกันแถวนั้น จะเป็นชนบทความเจริญแตกต่างจากตัวเมืองพอถึงบ้านย่าแล้วพ่อเราก็ช่วยเรายกของเข้าไปในบ้านพอขนของอะไรเสร็จแล้วพ่อเราก็กลับเลยในวันนั้นช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นเพื่อนที่เราสนิทรู้ว่าเรามาก็เลยชวนเราไปเที่ยวงานขึ้นบ้านใหม่ซึ่งเป็นบ้านเพื่อนย่าเราหน้าปากซอยเราก็ไปเที่ยวตามระษาเด็ก จนถึงเวลาประมาณสี่ทุ่มย่าก็มาตามเรากลับบ้านซึ่งขนาดนั้นเรากำลังสนุกอยู่เลยไม่อยากกลับทําให้ย่าโมโหรีบดึงมือเรากลับทันทีและพูดว่าอย่าออกไปเที่ยวดึกๆอย่างนี้อีกมันอันตรายในขณะที่เราเดินกลับบ้านกับยา่าซึ่งก็ไม่ไกลจากปากซอยมากสักเท่าไหร่เราก็เห็นลุงคนหนึ่งนั่งที่ศาลาไม้ข้างถนน เราก็เลยถามย่าไปว่าใครทาไมอยู่ตรงนั้นคนเดียวย่าเราไม่พูดอะไรแล้วดึงเราเดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงบ้านหลังจากนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างก็ดูปกติดีจนอีกสามวันถัดมาเรานั่งดูหนังผีอยู่ในบ้านขนาดนั้นเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าๆหนังก็ใกล้จะจบแล้วในขณะที่เรานั่งดูอยู่นั้น ก็มีเสียงหมาเห่าเยอะมากซึ่งเราก็ไม่เอะใจอะไรเพราะแถวบ้านนอกเขาจะเลี้ยงหมากันเยอะอยู่แล้วจู่ๆญาเราที่อยู่ในห้องครัวก็รีบวิ่งมาปิดและล็อกประตูหน้าต่างทุกบานซึ่งเราก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ถามอะไรแล้วดูหนังต่อ พอเสียงหมาเหา่าหมาหอนมาอยู่ตรงหน้าบ้านย่าเราก็ปิดไฟทุกดวงและปิดทีวีหมดซึ่งตอนนั้นเราตกใจมากแต่ก็ยังมีแสงไฟจากห้องน้ำที่ปู่เรากำลังอาบน้ำอยู่แสงไฟนั้นส่องมานิดหน่อยเราเห็นย่าเรากำลังมองดูในช่องเล็กๆของประตูหน้าบ้านพร้อมกับทำสีหน้าที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ เราเลยถามย่าว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งย่า ก, ก็บอกเราว่าให้เราไปเรียกปู่และบอกว่ามันมาหน้าบ้านแล้วเราก็รีบวิ่งไปหน้าห้องน้ำแล้วเคาะประตูเรียกปู่พูดตามที่ย่าบอกปู่เรารีบออกมาจากห้องน้าแล้วทำสีหน้าตกใจมากซึ่งเราก็ไม่กล้าถามอะไรปู่กับยา่าสักพัก เสียงหมาเห่าก็ผ่านหน้าบ้านไปไปทั้งบ้านป้าเราซึ่งอยู่ข้างๆบ้านปู่กับยา่ารีบดึงแขนเราไปที่ห้องครัวที่ปิดไฟอยู่แล้วแอบมองผ่านรูเล็กๆสีหน้าของปูย่ย่าดูเครียดมากทั้งสองคนจ้องอยู่นานมากจนเราตัดสินใจถามว่าเกิอดอะไรขึ้นย่าเราจึงให้เราดูผ่านช่องเล็กๆของห้องครัว ซึ่งภาพที่เราเห็นอยู่ไกลๆนั้นก็คือชายแก่ร่างผอมโซ่กำลังนั่งกินอะไรสักอย่างบนหน้าต่างบ้านป้าเราแล้วปู่เราก็รีบไปโทรหาป้าที่อยู่ในบ้านคนเดียวเพราะสามีเขาทำงานต่างจังหวัดเพื่อที่จะบอกป้าให้ระวังตัวแต่ป้าเราน่าจะหลับไปแล้วสักพักเราก็เห็นชายแก่คนนั้นค่อยๆหันหน้ามาทางเราวินาทีนั้น เราตกใจมากและกลัวมากด้วยรีบถอยตัวออกมาเมื่อปู่กับย่าเห็นก็รีบพาเราไปเข้านอนที่ห้องเดียวกันจากนั้นเสียงหมาเห่าก็ค่อยๆเงียบลงจนทุกอย่างเป็นปกติแล้วเราก็เคลิ้มหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้กลางดึกเราก็ตกใจตื่นขึ้นมาแล้วพลิกตัวเนื่องจากเรานอนริมสุดพอพลิกตัวก็หันหน้าออกมา แล้วเราก็เห็นเงาดำๆนั่งกินอะไรอยู่ก็ไม่รู้เราตกใจมากช็อกจนขยับตัวไม่ได้เลยเมื่อทำอะไรไม่ได้เราจึงหลับตาเพื่อตั้งสติแล้วลืมตาขึ้นมาดูอีกครั้งเงาดำๆนั้นก็หายไปเราคิดว่าน่าจะฝันไปเองเพราะสิ่งที่ได้เห็นในตอนค่ำนั้นทำให้เก็บมาคิดพอเช้าวันรุ่งขึ้น่าเราก็รีบไปเล่าให้ป้าฟัง เกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนป้าเราไม่ได้ยินก็ตกใจมากแล้วพูดว่าผีลุงชัยจากนั้นป้าเราก็รีบไปวัดในทันทีส่วนเรานั้นสงสัยและยังงงอยู่ว่าลุงชัยแกเป็นใครแล้วย่าก็เล่าให้เราฟังว่าลุงชัยนั้นเขาเป็นโรคประสาททั้งยังขี้เมาอีกด้วยแกมักจะชอบมาขอเล่าที่บ้านคนอื่นกินอยู่เป็นประจำ แต่ไม่นานมานี้ราวราวอาทิตย์ก่อนลุงชัยแกก็ดื่มเหล้าเป็นปกติของแกแต่ครั้งนี้แกเมามากจนเดินพลาด ต, ตกน้ำบ่อโดยไม่มีใครเห็นแล้วแกก็จมน้ําตายในบ่อน้ํานั้นไม่มีญาติมาจัดงานศพให้เพราะแถวนี้แกไม่มีญาติที่ไหนเลยชาวบ้านพยายามติดต่อญาติของแกแต่ก็ไม่รู้จะติดต่ อ, อยังไงติดต่อไม่ได้ ก็เลยให้พระสวดทาพิธีแล้วก็เผาเลยหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีคนเห็นลุงชัยไปตามหลอกหลอนชาวบ้านโดยการเข้าบ้านของคนที่แกเคยเข้ามาแล้วเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ซึ่งบ้านปู่ย่าของเราลุงชัยก็เคยเข้ามาขอเล่ากินแต่ย่าไม่ให้แล้วไล่ออกไปเราจึงกลับมาคิดว่าคืนนั้นที่เราไปเที่ยวบ้านใหม่ แล้วเห็นคนนั่งที่ศาลามืดๆน่าจะเป็นลุงชัยเมื่อเราได้ยินเรื่องที่ย่าเราเล่าให้ฟังแล้วเราก็กลัวมากๆจนอยากจะกลับบ้านพ่อเพราะไม่รู้ว่าคืนนี้ลุงชัยจะมาอีกไหมแต่ย่าก็บอกเราว่าไม่ต้องกลัวบ้านเรามีห้องพระย่าสวดมนต์ทำสมาธิทุกคืนแล้วหลังจากนั้นทุกๆคืนเราก็จะได้ยินเสียงหมาเห่าตลอด แต่ไม่เคยได้ยินเรื่องลุงชัยอีกเลยจนมีอยู่คืนหนึ่งเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่าๆป้าเราคนที่ลุงชัยไปเข้าบ้านเมื่อวันก่อนเขาก็เดินมาที่บ้านย่าเราตอนนั้นย่ากับเรากำลังนั่งดูทีวีอยู่แล้วจู่ๆป้าเขาก็แลบลิ้นเหมือนกับหิวอะไรบางอย่างเมื่อย่าเราเห็นย่าก็ตกใจมากแล้วตะโกนด่าป้าเราไปว่าอย่าทาแบบนี้ มันผิดปกติกับนิสัยป้าซึ่งป้าจะเป็นคนใจดีมากเป็นคนรักเด็กมากเลี้ยงเราตั้งแต่เล็กๆขนาดเราเห็นเรายังตกใจและงงมากว่าป้าเราทำอะไรหลังจากที่ย่าเราด่าป้าไปแล้วป้าเราก็เดินกลับบ้านไปแล้วย่าก็บอกว่าความเชื่อบราณถ้ามีใครแลบลิ้นใส่โดยที่เขาไม่รู้ตัว จะเป็นลางบอกเหตุว่าเขากำลังจะตายซึ่งเราก็ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่เราวิญ่าเรางมงายเกินไปตกดึกในคืนนั้นหลังจากที่เราเข้านอนก็ได้ยินเสียงนกแสกดังมากมันดังมาจากข้างบ้านเราความเชื่อโบราณได้กล่าวว่าถ้านกแสกร้องที่บ้านใครจะต้องเกิดเหตุมีคนในบ้านนั้นตายหลังจากคืนนั้นผ่านไป ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนสองวันถัดมาเราก็ได้ข่าวว่าป้าเราเข้าโรงพยาบาลเพราะป่วยหนักพอเราไปเยี่ยมป้าที่โรงพยาบาลเราก็เห็นสภาพป้าในตอนนั้นป้าเราหอมโสมหนักมากจากปกติที่เป็นคนอ้วนร่าเริงยิ้มแยม้มแจ่มใสมักเล่นกันกับเด็กๆตอนนี้กลายเป็นคนที่นอนโสมอยู่บนเตียงใบหน้าซีดเซียว ไร้ชีวิตชีวาวันนั้นหลังจากเยี่ยมป้าเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านในคืนเดียวกันนั้นเองเวลาประมาณตีสี่ถึงตีห้าย่าก็ปลุกเราตื่นและบอกว่าป้าของเราตายแล้วเราตกใจมากจากนั้นศพป้าก็ถูกนำมาที่บ้านเรากับย่าและชาวบ้านคนอื่นๆก็ไปบ้านป้ากัน เมื่อเรามองดูศพป้าที่เห็นในตอนนั้นก็ปรากฏว่าป้าเราผอมมากๆและเราก็เสียใจมากด้วยเช่นกันหลังจากที่ญาติๆจัดทำพิธีทาบุญต่างๆจนเผาศพเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่เพราะตอนนั้นมันก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วเหลือเพียงสามวันเท่านั้นแล้วย่าเราก็โทรมาหาพ่อเรา เราคุยกันนานมากซึ่งพ่อเราก็บอกว่ามีลุงที่ท้ายหมู่บ้านผูกคอตายจะต้องไปร่วมงานศพเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลุงคนนั้นจากนั้นอีกประมาณหนึ่งสองเดือนถัดมาย่าก็โทรมาบอกอีกว่าแม่ของเพื่อนสนิทเราที่อยู่แถวบ้านย่านนั้นอยู่ๆก็เป็นโรคประสาทแล้วผูกคอตายโดยชาวบ้านสันนิฐานว่า คงพราเห็นลูกตัวเองเป็นเด็กใจแตกชอบพาผู้ชายมานอนที่บ้าน ท, ทั้งทั้งที่ยังอยู่ชั้นมสี 4, ม่มห้าอยู่เลยเรากับครอบครัวก็เลยต้องกลับไปบ้านย้าอีกครั้งเพื่อไปร่วมงานศพนี้หลังจากศพนี้ผ่านไปเวลาผ่านไปอีกสองสเดือนก็มีป้าที่หน้าหมู่บ้านตายอีกซึ่งหาสาเหตุการตายไม่ได้เราจึงกลับมาคิดว่า ที่คนในหมู่บ้านทยอยตายกันมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับลุงชัยหรือเปล่าจนเหตุการณ์ร้ายต่างๆผ่านไปได้ประมาณหนึ่งสองเดือนชาวบ้านก็ติดต่อญาติของลุงชัยได้ในที่สุดแล้วลูกๆของแกก็มาทำบุญและทุกบ้านที่ลุงชัยเคยเอาศัยอยู่ซึ่งปัจจุบันนี้บ้านหลังนั้นกลายเป็นโรงสีข้าวไปแล้ว หลังจากที่ลูกๆของลุงชัยกลับมาหาแก่ทำบุญให้ก็ไม่มีข่าวเรื่องผีลุงชัยอีกและก็ไม่มีใครในหมู่บ้านตายอีกเลย สัมผัสสยอง